أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب ا ش ر ح لي صدري ويسر لأمري وحل الأغتم لساني يفقه علي رب زدنا ع ل م ن ط ي ب ا و ا ر ز ق ن ا رب زدنا ل م ن ا ف ي و ر س ق ن ط ي ب ا وعملا متقبلا ส alamualaikum warahmatullah wabarakatuh ครับพี่น้องที่รักยิ่งครับเรากลับมาทำการศึกษาคำพูดประดรับปรัดของผู้ลอสซุบะฮะนะฮูวัตารากันต่อนะครับผมซึ่งเราคงคุยกันถึงเรื่องกุญแจทั้งสามดอกนะครับที่ว่าจะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่ยึดติดกับดุนยาน้อยลงแล้วก็เป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับโรคอาคืรักมากขึ้นนะครับผม วันนี้ครับที่จะมาคุยกันก็คือกุญแจดอกสําคัญมากๆอีกดอกหนึ่งนั่นก็คือการที่เราลดสเปคความหวังในดุนยาลงนะครับผมกุญแจนี้สําคัญมากๆครับผมหนึ่งในสิ่งที่ทําให้คนเป็นทุกข์มากๆในดุนยานะครับก็คือการที่เรานั้น คาดหวังในดุลยาเยอะแยะว่าเราต้องมีความสุขว่าเราต้องมีอาหารการกินที่เพียบพร้อมว่าเราต้องมีเหมือนกับคนอื่นที่เราต้องอย่างนั้นที่เราต้องเป็นอย่างนี้เรามีแรงผักดันเราต้องตะเกียบตะกายเพราะเรามีความหวังในสิ่งต่างๆมากมายทั้งๆที่หลายท่านได้เกิดบางทีถามว่าเขาหวังอะไรในดุลยาบางทีอาจจะให้คําตอบไม่ได้เพียงแต่โดยรวมแล้วก็คือว่าอยากที่จะอยู่ในดุลยาอย่างมีความสุขไม่อยากมีความทุกข์เป็นธรรมชาติของมันุรือครับเราอยากให้มีแต่สิ่งดีเกิดขึ้นกับเรา ส่วนสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้ น, นกับเราแล้วก็ถ้ามีความสุขก็อยากจะมีความสุขไปเรื่อยๆถ้าเกิดเลือกได้อยากกินอาหารที่อร่อยอยากกินอาหารที่ชอบอยากกินอาหารที่หรูอยากกินอาหารที่แพงมันจะขึ้นระดับไปเรื่อยๆนี่คือความอยากเหมือนกับถ้าพักก็อยากได้พั ก, กอยากได้พักดีๆอยากได้พักดีๆในที่พักผ่อนที่ดีๆที่สะดวกสบายโดยที่ไม่ต้องมีความเครียดมันก็จะขึ้นไปเป็นระดับระดับระดับระดับในเรื่องของความต้องการและความปรารถนา ยิ่งปรารถนามากยิ่งมีโอกาสผิดหวังสูงยิ่งปรารถนามากไม่ใช่ว่ายิ่งเพียงพอนะพี่น้องยิ่งปรารถนามากก็จะยิ่งมีความไม่พอใจมากขึ้นเท่านั้นสังเกตดูพี่น้องยิ่งคนเรามีอะไรเยอะเนี่ยมันไม่ใช่พอที่มีไอตอนแรกอยากได้มันมาบางทีอยากได้กระเป๋าหรูแบรนด์เนมรองเท้าดีๆอะไรดีๆจะพอได้มาปุ๊บ อ, อยากได้อีกคู่อยากได้อีกแบบอยากได้ที่มันดีกว่านี้อยากได้รุ่นอลิมิเตตอยากได้อะไรก็ตามแต่มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ดุลยานั้นจะไม่ถูกเติมเต็มด้วยกับดุลยาพี่น้องต้องเข้าใจนะความปรารถนาของดุลยาจะไม่มีทางถูกเติมเต็มได้ด้วยกับดุลยาเพราะดุลยาเป็นสิ่งที่ไม่มีทางถูกเติมเต็มมันไม่มีคําว่าพอเพราะงั้นความปรารถนาในดุลยานั้นจะถูกถมได้ด้วยกับความปรารถนาในอาคเราะแล้วก็เรียกว่าการลด ความปาถนาในดุนยาเท่านั้นทเท่านั้นเลยพี่น้องมันไม่ใช่ว่าเราได้แล้วเราจะโอเคไม่ใช่ว่าพอเราเรวยแล้วเราจะเป็นคนดีไม่ใช่ว่าถ้าเกิดเราแข็งแรงแล้วเราจะเป็นคนดีไม่ใช่ว่าเราถ้าเกิดว่าเราได้ดุนยาเยอะๆแล้วเราจะเป็นคนสมถะไม่ใช่ไม่ใช่เลยแล้วก็ไม่ใช่เลย นันคือความเข้าใจผิดบางคนบว่ารอรวยก่อนจะทำฮาร์ดรอรวยก่อนจะทําอุมร้อรอรวยก่อนจะบริจาครอรวยก่อนจะช่วยเหลือผู้อื่นเราช่วยเหลือได้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วเราทําดีได้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วคําว่ารอเนี่ยมันคือคําว่าเดี๋ยวคือไม่ใช่ตอนนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่ อ, อไหร่เพราะไม่รู้เมื่อไหร่เราจะได้เตียงว่ารวยพี่น้องเราไปถามครับคนที่เป็นคนรวยเนี่ย เขาอาจจะอวดอ้างว่าเขาเป็นคนรวยแต่ลึกๆในใจของเขาเขาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองรวยเพราะเขาเจอคนที่รวยกว่าเพราะเขารู้สึกว่าเขายังอยากจะรวยมากกว่านี้เพราะอะไรครับเพราะเขายังวิ่งไล่ตามดุลยาเพราะนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับความปรารถนาของดุลยาจะไม่สามารถถูกเติมเต็มได้ด้วยกับดุลยยาพี่น้องอย่าลืมนะอย่าลืม แต่นี่คือคุณแจถ้าเกิดเราอยากเห็นโลกหน่เหมือนกับที่พวกเรากล่าวว่าว่าอาคิระตุคอยดูอากอโลกหน้านั้นมันดีแล้วก็มัอยู่ตลอดการหากเราไม่อยากใจดุนยานั้นส่งผลกระทบกับเราพยายามลดความปรารถนาในดุญญนยาลงพยายามลดมาหน่อยลดมาหน่อยลดมาหน่อยจะลดได้เริ่มจากการเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีขอบคุณเอาล่ะในสิ่งที่เรามีพอใจในสิ่งที่เรามีถ้ามีมากกว่านั้นได้อธิบายแล้วถ้ามันในรูปแบบที่ฮาลานธรรมชาติมันก็ควรอยากจะมี แต่เรามาดูแบบอย่างท่า น, นาอับดุลโมสส์ละลอฮอิสลามครับผมจากท่านอับดุลรอฮ์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนรับใช้ของท่า น, นาบดุลโมสสละลอฮ์อิสลามที่ว่าอย่างเมื่อก่อนใครอยากรู้จะรู้จากอาจารย์ก่ไปฝากเนื้อฝากตัวเป็นคนรับใช้คอยให้การรับใช้ใน่นคนบุคีครับท่านอับดุลลอฮ์บอกครับว่าครั้งหนึ่งท่านนับดุมสลลอฮอิลมเนี่ยท่านนอนท่านนอนเอกเออยู่ในที่นอนของท่านนะครับซึ่งเป็นเสือหยาบถ้าแปลก็คือเป็นเสือหยาพภาิทนครับพี่น้อง พอถ้านอนเสื่อหยาบอย่างที่เราทราบกันก็ในยุคนั้นไม่ได้มีเสือ้อมีกางเกงอะไรนิชิตแน่นๆอะไรเหมือนสมัยนี้ก็ในอดีตก็บางทีผู้คนก็ใส่สบายๆก็เอามาผ้ามาพันขึ้นบนกับพันข้างล่างที่เรียกว่าอิซารกับลีดะบางทีพอนอนตุบมันก็จะมียกคงยกแขนมันก็จะมีเปิดอะไรบ้างท่านอับดมุสลิมอะครับท่านนอนบนเสือที่หยาบเนี่แล้วพอ ถ, ถึงเวลาเนี่ยมันก็ เป็นริ้วเป็นรอยสิครับริ้วรอยมันไม่ใช่แค่ดูแล้วมันดูไม่ดีแต่มันเจ็บด้วยถูกไหมครับถ้าเกิดเคยเคยลองนอนบนเสือแบบไม่ใส่เสื้อดูนะครับจะรู้นะครับผมอันนี้คือเสือบ้านเราถือว่านุ่มแล้วนะเสือมันมีหยาบกว่านั้นนะครับผมซึ่งพอท่านอาบีมัสเรซมท่านนอนนะครับพอท่านตื่นมาปุ๊บท่านก็จะปัดปั ด, ป ด, ปดท่านก็จะเช็ดมันเพราะบางทีมันก็มีทั้งรอยบางทีมันก็มีทั้งเศษติดใช่ไหมครับผมท่านอบีก็จะปัดปัดจเสื้อผ้าให้เรียบร้อยครับซึ่ง ท่านอับดุลลอห์ที่เป็นคอยรับใช้ท่านนาบีอัลสุลตัมท่านก็บอกวายาละซูลลอห์เนี่ยทำไมคุณไม่ให้อนุญาตผมแหละขอแค่คุณให้อนุญาตไม่ใช่ต้องเรียกนะไม่ต้องเรียกใช้คือาาบิดาซอบาสเนี่ยท่านพร้อมจะช่วยนบีเพียงแต่ต้องรอนบีให้อนุญาตก่อนเพราะบางท่านอาจจะสงสัยเนี่ยซอบาสรวยเยอะๆเนี่ยทำไมไม่มีใครให้เงินนบีทําไมไม่ช่วยนบีทําไมไม่ซัพพอร์ตนบีทำไมปล่อให้นบี ห, หิวโหยเพราะว่าท่านนาบีอัลสุลตัมนั้น ท่าน <pouch. S 2> เป็นแบบอย่างที่ลดงานท่านบอกว่าไงครับอาหารที่ดีที่สุดคืออาหารที่คุณหามาด้วยกับตัวคุณเองแล้วท่านนบีนั้นรักการบริจาคแล้วท่านนบีนั้นไม่เรียกร้องขอความช่วยเหลือจากใครเด็ดขาดในสิ่งที่ท่านทําได้และถ้าเป็นเรื่องตัวเองท่านนบีไม่ขอใครเลยท่านจะนบีมสันจะเรียกร้องขอเฉพาะเรื่องเพื่อพวกลาสวากระเท่านั้นจะมีการระดมทุนบริจาคไว้ก็ต้องมีสงฆามีความเดือดร้อนมีคนจําเป็นมีคนที่เดือดร้อนมาท่านนบีถึงจะพูดถึงเรื่องเงินพูดถึงเรื่องอะไร แต่ถ้าตัวท่านเองไม่ครับไม่เลยไม่เคยขอเลยแล้วท่านนบีก็ไม่รับสากรกาโดยท่านนาบีจะรับแค่หะดียาคือท่านนบีไม่รับทานแต่ท่านจะรับแค่ของขวัญหรือสิ่งที่แบบว่าให้กันเป็นแบบเป็นน้ําใจเป็นของฝากอะไรพวกนี้ท่านนบีว่าเสริมรับอยู่ทีเียครับก็เนี่ยซาบะก็ไปว่าก็รอโอกาสที่จะช่วยท่านนบีเนี่ยคือขอแค่ท่านนาบีอนุญาตไม่ใช่หลงขอนะนบีไม่จะเป็นต้องขอนะขอแค่ท่านนบีอนุญาตซาบะนี่พร้อมจะช่วยเต็มที่ ท่านอบดุียร์นุญาตนะครับท่านอบียร์ทของท่านเองซึ่งก็เป็นแบบอย่างที่เราทราบครับเวลาท่านทําของตกมีคนจะหยิบก็ท่านอบีก็ลงไปหยิบเองซึ่งซอบาท่านก็ซึมซับตรงนี้มาซาบะอะไรท่านท่านอุมัดเองเอออะไรเอออย่างที่เราถ้าเกิดศึกษาประวัติศาสตร์เวลาที่ท่านเจอคนยากจนเดือดร้อนในพื้นที่ที่ท่านปกครองเนี่ยท่านแบกแป้งไปให้คนคนนั้นเองเลย มีคนอื่นจะมาช่วยท่านบอกไม่นี่คืออามานะของฉันนี่คือสิ่งที่ฉันเรียนมาจากนบีมสลลุสลลัมเรื่องของเราทําเองเพราะฉะนั้นครับอย่างที่ย้ําอีกครั้งหนึ่งเผื่อถ้าเราบอกทำไมนบีอยู่แบบจนอยู่แบบอดอยากทำไมซอบะไม่มาช่วยเลยซาฮาบะเนี่ยจะช่วยแต่ช่วยไม่ได้นบีไม่ช่วยเพราะรู้ว่าท่านนบีไม่รับซาบะต้องขอพี่น้องต้องขอซึ่งอย่างเนี้ยท่านดุลาะก็บอกว่ายาระโซลาะหากท่านให้อนุญาตนะ ผมขออนุญาตได้ไหมเนี่ยก่อนที่ท่านจะนอนเดี๋ยวผมจะหาอะไรมาปูให้ให้ท่านนอนสบายๆจะเอาฟูกอะไรมาใส่ให้ท่านบีนอนไม่มีฟูกจกี่งเนาขอได้ไหมขอได้ไหมจะได้ปูเนี่ยท่านจะได้นอนสบายไม่มีไม่เจ็บคือไม่ใช่แค่ให้นอนสบายยังไม่มองถึงขั้นนอนสบายคือขอให้ท่านบีไม่ทรมานไม่มีร่องรอยในการนอนท่านบีพระศาสดาพูดสั้นๆครับมาดีบอดดุนยา ฉันไม่อะไรกับดุนยานะคือมันก็แค่ดุนยานะ่ยฉันไม่ได้สนใจอะไรมันนบีพูดแบบนี้นี่คือมุมมองนี่คือจุดยืนนี่คือตัวตนเขาตัวตนของท่งนานนบีมอลมาซารอยอิส ล, ล, สลมามแม่ดีวะดุนยาดุนยากับฉันไม่มีอะไรเลยฉันไม่อะไรกับดุนยาเนี่ยวะมาลิดดุนยาลีฉันเนี่ยไม่มีอะไรกับดุนยาดุนยาไม่มีอะไรกับฉันด้วยคือพวกเราไม่มีอะไรกันเราแค่ผ่านมามาอะนีวะ ด, ดุนยาอิลาอลากาโรอกีบิน อิศตะดลล์ในไฟอินหรือดลล์ในชั้นชั้นซุมมาระห์แะทารักษานเบงข่ายมัมอาหมัดอันนี้ในเบื้องข่ายมอาหมัดเราไปคุยกันนเบื้อ่ายบุครลอกทนครับนเบื้อายมัมอาหมัดเนี่ยท่านนบีมุสลิสารราพูดไว้ชัดเจนเลยบอกว่าฉันไม่มีอะไรกับดุญยาดุญยาก็ไม่มีอะไรกับฉันฉันกับดุญญยาเนี่ยความผูกพันของเราเนี่ยก็เหมือนกับคนที่ ขี่ม้ามาขี่พาหนะมาแล้วก็ถึงเวลาเจอล่มแล้วฉันมาพักล้มนิดนึงแล้วฉันก็ไปต่อคือถามว่าถ้าเกิดเรามาพักแล้วเราสมมุติว่าเราจะเดินทางไปไหนสักที่นะเราถ้าเกิดควบมา้ายู่มีไม่มีใครควบม้าเนาะคือรถมันก็มีหลังคาอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพแต่เอาอย่างนี้ยกตัวอย่างถ้าบ้านเราเข้าใจง่ายเหมือนกับพี่น้องขับมอเตอร์ไซค์แล้วฝนตกหนักอย่างเงยพี่น้องพอเราขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับแล้วฝนตกหนักเนี่ยเราอยากกลับบ้าน แต่เราดิสัวบ้านมันไกลเระยทาไม่อีกไกลคือเราเละแน่ๆถ้าเกิดกว่าจะไปถึงบ้านเนี่ยแล้วก็จะยังไงครับหาดูว่ามีอะไรมีที่ล่มหรือเปล่าถูกไหมครับข้างทางมีที่ไหนพอจะจอดมอเตอร์ไซค์ได้หรือจะเข้าไปปัม๊มหรือจะเข้าไปยังไงคือถ้าเราไปเนี่ยเราไม่ได้แคร์อะไรกับที่ที่เราไปใช่ไหมคือเราขอแค่พักฝนแป๊บนึงเราจะไปต่อคือเราไม่ได้ผูกพันอะไรกับสถานที่นั้นเราไม่คิดจะไปซื้อที่ตรงนั้นอยู่เราไม่คิดจะซื้อเตียงไม่ได้คิดว่าจะต้องมีอะไรหรืหลา ว้าอะไรถูกไหมครับเราไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นก็คือเป้าหมายเราคือเราจะไปอีกที่คือตรง น, นี้ไม่ได้อยู่ในหัวเราเลยคือเราเลยไปเฉยๆนี่นแหละแต่มันมีเหตุให้ต้องแวะแป๊บนึงท่านอบีบอกเนี่ยฉันกับดุลยาความผูกพันของเราเนี่ยก็เหมือนกับคนที่กําลังขี่พาหนะอะไรมาแล้วเจอลมเงาแล้วก็เลยแวะมาพักลมเงานิดนึงแล้วเดี๋ยวก็ทิ้งมันไปเดี๋ยวฉันก็จะทิ้งมันไป คำพูดประโยคนี้ครับเป็นคําพูดที่ถ้าใครพูดเนี่ยมันรู้สึกเท่นะพี่น้องมันรู้สึกเท่แต่ว่ามันทําได้ไหมมันทําได้ไหมหอยู่ไหมครับเพราะว่าโอ้พี่น้องไอการพูดกับการทําเนี่ยมันมันมันคนละระดับเลยคนที่พูดเฉยๆแล้วไม่ได้ทําเนี่ยบางทีอย่างพวกผมอย่างไรเนี่ยจะพูดเฉยๆไม่ได้ทํามันก็พูดได้ใครก็พูดได้ไง แต่ท่านอนับดุลโมฮัมหมัดสุลัยสลัมท่านทาท่านทําได้แล้วนี่คือตัวตนของท่านแล้วท่านถึงพูดออกมาเพราะฉะนั้นความหนักแน่นความหมายมันต่างกันคนละมิติเลยคนละเรื่องเลยแต่นี่คือท่านอนับดุลโมฮัมหมัดสุลัยสลัมบอกครับคือท่า น, นาบอบีุลโมฮัมคนแล้วอายะกราดที่บอกเบลตุซีรูนัลฮายาทัดดุนยาแต่ว่าเจ้าได้รับผลกระทบจากดุนยาแต่ว่าเจ้าเลือกที่จะลุ่มยึดติดกับดุนยาเนี่ย ท่านอะ บ, บีผ่านตรงนี้ผ่านแบบผ่านชั้นหลุยเลยพี่น้องผ่านแบบไม่มีอะไรยึดติดคือถึงข่านว่าตอนเสียชีวิตเนี่ยอ บ, บีไม่ผูกพันอะไรกับดุนยาไม่มีอะไรทิ้งไว้เลยนอกจากชุดเกาะหนึ่งชุดที่ว่ามีการไปวางไปจำำํานําแลกอาหารเป็นนี่กับยูอีกต่างหากนี่คือตอนเสียชีวิตคือไม่มีอะไรติดบ้านท่านอ บ, บีโมซ์ละลอยสลัมเลยคือถ้าเรามาย้อนอยู่ตัวเราไม่ต้องดูใครดูตัวผมเนี่ย เราแต่และคนดูตั ว, อวเองเราจะพบว่าไม่เนี่ยต่อให้เราแองว่าเราไม่อะไรกับยุนยาแล้วแต่เมื่อเราไปดูท่านอับดุลโมสส์ลอฮิสัลลัมนี่ตัางหากแหละคือแบบอย่างที่ว่าไม่อะไรกับยุนยาจริงๆมาดูครับในบทที่41บุคอลีครับท่านลิบุอูมารเนี่ยท่านบอกว่าไงครับอิดะอัมไซตาฟะละตันตะดิษัลบะ ต่แล้วฉันรู้สึกอึมซะว่าคุณมินซีพัติกรีมาตรอดิกว่ามินฮยัติท่านอิบลุอุมัดขับศึกก็เป็นซาฮาบะระดับปราดใช่ไหมครับอบุลลอห์บินอุมัดนะครับท่านบอกว่าไงครับเวลาคุณถึงตอนเย็นเนี่ยไม่ต้องรอถึงตอนเช้าเวลาถึงตอนเช้าไม่ต้องรอถึงตอนเย็นคือไม่ต้องไปบอกว่ารอฉันรวยก่อนรอฉันพร้อมก่อนรอฉันแก่ก่อนเดี๋ยวฉันค่อยทำฮัดเดี๋ยวฉันค่อยละหมาดเดี๋ยวฉันค่อยคุมหิยาบเดี๋ยวฉันค่อยอ่านกุร่าอ่านเดี๋ ท่านอมุมาสคับท่านอยู่กับท่านยาบีมัสสารา ม, มาท่านศึกษามาท่านเข้าใจอย่างแตกฉานจริงๆเลยแล้วท่านก็เลยบอกว่าไงครับคุณถึงตอนเช้าไม่ต้องไปรอตอนเย็นไม่ต้องไปบอกว่าเย็นก่อนฉันค่อยทําดีแล้วถ้าคุณอยู่ตอนเย็นไม่ต้องไปบอกว่ารอเช้าก่อนแล้วฉันค่อยทําความดีเ <c oughs> ช่นเดียวกันครับคุซมินเซฮารติกตอนที่มีสุขภาพไหนรีบทําความดีอย่าไปรอป่วยก่อนแล้วไปเสียใจว่าฉันนจะทำความดี แล้วก็เช่นเดียวกันครับตอนที่มีชีวิตก็ดิบคนควายไว้ก่อนที่จะตายนี่ท่านก็สรุปมาจากหะดีสันอับบีหลายบทเลยท่านสรุปมาให้เราเข้าใจง่ายๆท่านอับดุลลา บ, บิอุ ม, มัดเนี่ยท่านเองนะครับก็มีฮะดีสที่รายงานมาจากท่นนานอับดุลเบียมฮัมหมัดสุลตานเลเช่นเดียวกันครั้งหนึ่งเนี่ยท่นนานอับดุลมุสาลาซับเนี่ยได้พูดกับท่านอับดุลล บ, บิอุ ม, มัดครับได้มาจับคือแบบพูดแบบจริงจังเลยเอามือวางบนบา ท, ทั้งสองของท่านอับดุลลบิอมั วางแล้วก็จ้องตากับท่านแล้วก็บอกกับท่านพูดกับท่านว่าคุณฟิสด ah ุนยากะอันนักการรีบุญเอาอาเบลุสบีนิประโยคที่เราคุ้นเคยกันดีจงอยู่ในดุนยาเหมือนกับคุณเป็นคนแปลกหนะ้าหรือว่าเหมือนกับคุณเป็นคนแค่ผ่านทางใน บ, บีไม่ได้ใช้คำว่าเดินทางนะใช้คำว่าผ่านทางเฉยๆคือเดินทางมันต้องไปไกลใช่ไหมครับ แต่คนผ่านทางก็คือก็เหมือนกับพี่น้องอาจจะไปตลาดไปซื้อของไปอะไรแล้วพี่น้องก็จะผ่านอะไรหลายๆที่ใช่ไหมอาจจะผ่านสวนผ่านบ้านผ่านร้านผ่านนั่นผ่านนี่มันไม่อยู่ในหัวเราเลยถูกไหมครับคือเราผ่านเฉยงนี่คือฮะดีที่เราต้องทําให้ได้พี่น้องหลายท่านเนี่ยบางทีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ว่าไม่มีมุสลิมไม่มีเพื่อนไม่มีพี่น้องก็บอกอาจารย์ฉันรู้สึกเหมือนคนแปลกหน้าฉันรู้สึกผิดที่ฉันรู้สึกว่าฉันเข้ากับใครก็ไม่ได้ นั่นแหละคือมุสลิมนี่แหละคือความรู้สึกที่มุสลิมต้องรู้สึกจริงๆไม่ใช่บ่นเพราะอยากไปเข้ากลุ่มกับเขาไม่ใช่บ่นเพราะอยากไปกินเหล้ากับเขาอยากไปทำฮารอมกับเขาอยากไปสูงสิงอยากให้เขายอมรับไม่มุสลิมเราชัดเจนว่าเป้าหมายเราคือโลกอาคิร์รเราเกิดมาตามลําพังแล้วก็ตายตามลําพังถึงเวลาก็ต้องถูกฝูนคืนชีพมาลําพังแล้วก็ถูกสอบสวนตามลําพังแล้วก็ลงนรกไปด้วยตัวเอง ขื้นสวนไปด้วยตัวเองด้วยกับการงานที่ทํามาพอล้อก็จะจัดเราให้ในสิ่งที่เราคู่ควรกับมันเพราะฉะนั้ไอ้คำพูดที่บอกว่าอยู่เหมือนคนแปลกหน้าพี่น้องมันไม่ใช่การเปรียบเทียบมันต้องอยู่แบบนั้นจริงๆมันเป็นแบบนั้นจริงๆรธรรมชาติเราเป็นแบบนั้นจริงๆพี่น้องดูครับกลุ่มหลงผิดทั้งหมดจะจับมือกันได้หมดจับมือได้หมดไม่มีอะไรกลุ่มอะไรผิดเพี้ยนกันเลยซูฟีอาชัยล้อจับมือกันได้ไม่ีปัญหาพี่เขาบอกเราอยู่ร่วมกันได้หมดเพราะอะไรครับอัตกรูฟมีลาวาฮิดะ กลุ่มหลวงพี่จะมีกลุ่มเยอะน่นะคือมันอยู่รวมกันเได้หมดต้อมกันได้หมดนั่นแหละอันนั้นก็อันนั้นรวมได้อันนี้ก็รวมได้อารวมกันได้รวมกันได้หมดแล้วก็บอกไอ้พวกเราน่ยมันรวมกับใครก็ได้พวกสร้างความแตกแยกเราสร้างความแตกแยกกันไหนแล้วเอากุรานมาพูดเราฮะดิสมาพูดเราพยายามเอาแบบอย่างท่านบีมาใช้ใครที่ไม่ได้เอาแบบอย่างนบีมาอันนั้นเขาตอบอันน้อยเองแต่พวกเราพยายามเอาแบบอย่างนบีมาเราเอามารยาตอิสลามมาสอนเราไม่ได้เป็นคนไปด่าว่าใครไปใส่ร้ายใคร แต่พี่น้องต่อให้เราทําตัวเหมือนกับนบีแบบซอบาบะแค่ไหนก็ตามเราก็ต้องโดนด่าเราก็ต้องโดนว่าเราก็ต้องอยู่อย่างคนแปลกหน้าอยู่ดีเพราะนั้นทำใจไว้เลยพี่น้องท่านนบีว่าตูแบความยุกงานเกิดขึ้นแก่บุรุษบาแก่คนที่อยู่ในรุ่นยาได้แบบคนแปลกหน้าเพราะฉะนั้นวักเนี่ยที่อยากใจพี่น้องได้จําไว้ ให้ผมได้จําให้พวเราจําไว้มาลีวริตุนยาวรมาลิตุนยาวรีดุนยากับฉันก็ไม่มีอะไรฉันกับจุนยาก็ไม่มีอะไรความสัมพันธ์ของเราก็เหมือนกับแค่คนที่มาอยู่หลบเงวแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็ไปต่อพี่น้องที่รักยิ่งครับท่านอาลีรอดีอัลลาอูอันหูครับท่านได้พูดไว้ครับว่าอินัชัฟวะฟามาอัชฟุอัลัยคุมอิสเนตัน طول الأمل ال و, الأ الآ ال و, و ا, ا ل ت ب ا a الهوى فأما ا و ل الأمل فينسى الآخرى وأما التباء الهوى فيسدد عن الحق على وإن الدنيا قد ولت م ج ب ي ر ت ا و ا ل أ ك ر ت م ق ب ل ت ن เร่องให้ความหมายเช่นเดียวกันครับผมท่านอาลีนี่คือคาพูดของท่านอาลีหนึ่งในสิเอกของท่านเบีมอสรอยซ์ซัมผู้ที่ทำหน้าที่บันทึกไวนีบันทึกทั้งคุรานบันทึกทั้งอหลี ซิดเอของท่านอาบีครับเป็นซาบะผู้ประเสริฐเป็นคอริฟ้าท่านที่4อย่างที่พวกเราทราบกันดีท่านอาบีครับได้บอกว่าไงครับสิ่งที่ฉันกลัวว่าจะเกิดกับพวกท่านมากที่สุดมีนอยู่ส อ, อย่างท่านอาบีพูดกับบรรดาซาบะพูดกับคนที่ประเสริฐที่สุดในอุ่มะมนี้แล้วเราจะไปเหลือหลือถูกไหมครับท่านอบีบอกว่าไงครับฉันกลัวที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับพวกท่านมี2 อ, อย่างอย่างแรกก็คือ การมีความฝันท like like anyway, ี่มันมากเกินไปการมีความฝันที mm ่มันยาวเกินไปฉันอยากจะอย่างนั้นอยากจะอย่างนี้ฉันอยากได้ไปเที่ยวตรงนั้นฉันอยากเป็นอย่างนี้ปาร์ตี้ฉันอยากจะเป็นอย่างนี้งานแต่งงานฉันอยากจะมีภาพแบบนั้นอยากให้ผู้ชายมาคุกเขามีการยิ่งแหวนฉันอยากให้มีบาดหลวงมาทําพิธีมุสิมหลายคนคิดแบบนี้พี่น้องผมพูดถึงมุสิมอยู่ไม่ได้พูดถึงคนต่างศาสนาเลยเห็นเขาทำมันดูดี อยากม <t |startoftranscript|> <t> ีอย่างนั้นอยากมึีอย่างนี้ฉันอยากจะมีชีวิตฉันอยากจะได้มือถือที่ดีๆอยากได้มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยอยากได้เปลี่ยนทุกปีอยากมีงานที่มีรถมืรถประจําตำแหน่งมีเงินเดือนอยากได้ไปเที่ยวอยากได้ไปเที่ยวทุกปีอยากได้ไปเที่ยวทุกเวลาที่มีจังหวะที่ได้ไปเที่ยวอยากไปเที่ยวที่ไกลๆอยากไปเที่ยวที่หรูๆอยากได้พักสถานที่ที่สบายกานหวังในดุนยามากยิ่งมากยิ่งมากยิ่งมากเนี่ยท่านอริบอกว่ากลัว อย่างแรกคืออะไรนะหวังในดุ n y ามากอันที่สองก็คือตามใจตัวเองมากท่านอิบบอกกลัวสองอยา่างกลัวว่าเราจะหวังดุ n y ามากแล้วก็กลัวว่าเราจะจาตามใจตัวเองมากท่าน阿里อธิบายครับทําไมถึงกลัวทําไมถึงกลัวการหวังในดุ n ยามากเกินไปท่านอิบบอกว่าไงครับท่านอดีรอโยบฮูบอกว่าฟะอัมมาตุ ล, ลอัมัตฝะยุนซีอาคเราะเพราะการที่หวังในดุ n y ามากมันจะทําให้เราลืมอาคีราะจริงไหมพี่ลองคิดดู เมื่อไหร่ก็ตามที่เราหวังเรื่องในดุนยาเราจะไม่คิดถึงอเชลลพี่น้องเราจะไม่คิดว่าเราจะตายเราจะไม่คิดว่าเราต้องไปเจอการสอบสวนเราจะไม่คิดว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างเราจะเข้าหาเป้าหมายในดุนยาอย่างพี่น้องอยากกินล้านอาหารหรูๆอยากไปกินของอร่อยตอนที่เราเดินทางตอนที่เราพยายามตอนที่เรากินถามว่าคิดถึงอเชลลไหมไม่คิดหรอกพี่น้องน้อยมากที่จะคิดน้อยมากที่จะกินไปวก็คิดว่านี่เป็นเพียงแค่อาหารดุนยานะ เดี๋ยวเราไปอาคียร์ร้อดีกว่าถ้าเราคิดได้จริงๆเราไม่ไปสเสอาะอหาขนาดนั้นหรอกพี่น้องพวกเราทุกคนผมพูดถึงพวกเราทุกคนเริ่มจากตัวผมเองก่อนนี่คือสิ่งที่ถนัดดีกลัวแล้วมันก็เกิดขึ้นกับพวกเราแทบจะทุกคนหวังในดุลยามากหวังในดุลยาเยอะทั้งๆที่เราหลอกตัวเองมาตลอดว่าเราไม่ยึดติดกับดุลยาเราอยากได้อาคาียร์ร้อ แต่ดุนยาเรามีแต่อะไรที refers, ่เราอยากทําดุนยามีแต่อะไรที่เราอยากได้แต่ละวันเรามีแต่ดุนยาเพราะเรื่องกุญแจเหล่านี้สําคัญมากๆอย่าหวังในดุนยาให้เยอะอย่าหวังในดุนยาให้มากเราถึงจะเห็นไอคิร็อพี่น้องเพราะยิ่งช่วงที่หวังดุนยาอะช่วงที่ติดผู้หญิงอช่วงที่ติดงานอช่วงที่ติดเพื่อนช่วงที่ติดเกมช่วงที่อยู่ดุนยาพี่น้องดูเถิดลืมดุนยาหมดแตยพี่น้องลืมออคิร็อกหมดแหละลืมเรื่องความตาย ดีไม่ดีไม่อยากประมาดเดี๋ยซ้ำดีไม่ดีลําคาญเวลามีคนมาเจอนทาความดีเดีซ้ําครับทานายีบอกว่าไงนะครับทานายดีบอกว่าความหวังเยอะเนี่ยหรือว่าความหวังยาวๆในดุนยาเนี่ยมันจะทําให้คุณลืมอาเคโรส่วนการตามอารมณ์เนี่ยมันจะทําให้คุณไม่ยอมรับความจริงชัดเจนไหมชัดยิ่งกว่าชัดพี่น้องพี่น้องไม่ไม่ต้องพิมพ์มาชัดเจนครับชัดเจนข่าไม่ต้องบอกว่าอะไรยังไงชัดเจนที่ทานายีพูดในคําพูดเนี่ยมันชัดเจนสําหรับผู้ที่ไข้ควร แล้วเอาไปทําการตามอารมณ์ทําให้ลืมความจริงถูกต้องไหมแน่นอนพี่น้องโกรธมากๆไม่สนใจหรอกอะไรถูกผิดขอยได้ด่ามันได้ว่ามั น, ามนบางทีเอาศาสนาเป็นเครื่องมือสนองอารมณ์ตนเองด้วยซ้ําให้ตัเองได้ด่าให้ตัเองได้ว่าสนองความชั่วร้ายของตนเองด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นสองอย่างท่าอาลีบอกว่าไงนะฉันกลัวว่าจะเกิดขึ้นกับพวกท่านสองอย่างหวังมากแล้วก็ตามอารมณ์มากหวังมากทําให้ลืมอะเคิร์ตามอารมณ์มากทําให้ปริเสธความจริง อาละว่าอินนทุนยากัดวันละไม่ใช่เหนอเดี๋ยวดุนยามันก็ผ่านไปแล้วอาเคาะมันจะเข้ามานี่คือสัตธรรมที่มันเป็นความจริงท่านอดีตอนผู้ท่านมีชีวิตอยู่ตอนนี้ท่านอยู่ไหนแล้วท่านไปจากดุนยาแล้ววันัะคาลัสจบแล้วดุนยาไปแล้วท่านผ่านดุนยาไปแล้วในสภาพเบาวที่พวกเราพอพระทัยพวกท่านราเยลลาะลอห์อันหุมว่าเราดูอันพวกเราพอใจพวกท่านแล้วพวกท่านก็พอใจ ในโพลร์สุภาานั่นกตาลและแล้วพวกเราละ่ะวัลลั ด, ดุนยาแะ ด, ดุนอินนุนยาดัลลัมุตบิราวัวลอาคร้อมุกบิลาดุนยาเนี่ยมันก็จะสะบัดก้นให้เราอะถ้าแปลแบบภาษาไทยแบบพืนๆเน่นะเดี๋ยวถึงเวลามันก็หันตูถึงเราแล้วมันกลับไปแต่อาคร้อมมันจะเข้ามาหาเราแล้วอยู่กับเราตลอดไปพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าหวังจาก ดุลยาอย่ายึดติดกับดุลยาอย่ามีแต่ความป่าเถนาอฉันอยากให้ดุลย์ฉันเป็นคนดีฉันอยากให้ดุลย์ฉันขอดฉันอยากให้เขามีการงานที่ดีฉันอยากให้เขามีขู่ครองที่ดีฉันอยากให้เขาหล่อฉันอยากให้เขาสวยฉันอยากให้หลานน่ารักฉันทั้งหมดเนี่ยพี่น้องยิ่งเยอะอาร์เคียร์มันยิ่งหายแล้วถ้าอาร์เคียร์ในใจเราหายพวกเราไม่ได้เดือดร้อนสักกนิดเดียวเลยมาเลยแกไม่ได้เดือดเหร้อนเลย เทเลวมัสยิดมันรรมไม่ได้เดือดร้อนในซาบะไม่ได้เดือดร้อนไม่มีใครเดือดร้อนเลยมีแต่ตัวเราเองที่จะเดือดร้อนเพราะฉะนั้นฟอรดกเกิครับจงไข้ควรเถิดอินนาฟาติดิกรอเซยักกาดูมยักชาแนนอนการตักเตือ น, นั้นจะยังประโยชน์กับผู้ที่ศรัทธาครับพี่น้องที่รักหนึ่งครับผมก็วันนี้หอมปากหอมคอครับเนื่องจากมีหลายวิชาพี่น้องอาจจะเหน็ดอาจจะเหนื่อยกันพี่น้องอาจออาจะบอกว่าไฟล์เดียวกันไม่ได้เลยก็อย่างที่บอกก็คื อ, อจะได้พัก เปียนบรรยากาศด้วยนะครับผมขอบคุณพี่น้องที่รับทุกท่านครับทั้งพี่น้องที่ได้ผ่านมาผ่านไปทั้งพี่น้องที่อยู่ยาวตั้งแต่ช่วงแรกนะครับผมคุณสนนนีก็สละมานะครับแล้วก็ไปทุสำหรับแกตัวเขาคุณสลับดุอานะครับแล้วก็พร้อมเรียนรู้ครับสวิชาเลยนะครับผมก็ขอให้ได้รับความรู้ที่ยังประโยชน์ขอโดยจากผู้ลอทธสุบานุตราผู้ทรงสูงทรงผู้ทรงใหญ่ผู้ทรงเกียรกิผู้ที่ไม่มีเจ้าใหนื่อยจากพระองค์ ผู้ที่เราไม่วิ่งบอลขอต่อผู <nên> ้ใดนอกจากพระองค์ขอโดยเฉพาะพระองค์นั้นให้เราเป็นผู้ที่ได้รับความรู้จาก up, พระลอสซูบาตระเป็นความรู้ที่ยังประโยชน์ขอให้เราได้ริสกีที่เป็นริสกีที่ดีงามแก่เราขอให้เรานั้นได้รับการงานทำาจงานที่พระลอสตอบรับขอพระลอสให้หัวใจของเรานั้นมีความตักวามีความยำเกรียงของมันแล้วก็ขอให้เรานั้นได้ไขวัวขอให้เราได้คิดขอให้เราได้รับการขัดเกลีขอให้เรานั้นได้รัก ที่จะได้เข้าสวรรค์พยายามที่จะเข้าสวรรค์แล้วทาทุกวิธีทางเพื่อได้เข้าสวรรค์แล้วก็ขอให้เรานั้นรอดพ้นจากไฟนรกแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องจากมันขอให้เรามีชีวต อ, อยู่ในสภาพมุสลิมแล้วก็เสียชีวิตในสภาพผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์ครับพี่น้องทุกท่านที่สลามมาก็พี่วันนี้นะครับก็ไว้วววคุสละมรรคการตัวอาจารย์เขาที่บอกชัดเจนก็จะซักมรรคารั้นขอบคุณใจมากๆากครับคุณนะ้าทุ น, นอรุณก็โพสต์ให้แชร์ให้ ก็ขอลาตอบแทนด้วยความดีงามครับเรารวมตัวกันนั้นเพื uh am, ่ออัลลอ์ที่เรารวมกันนั้นเพื่ออัลล์แล้วเราก็จะจากกันเพื่อผูลุบฮนะฮวะตาลาครับะกกฮะสักฟุลลอฮะิวละุมริัมุสลิมีนมินกลักฟอฮสัมุลิมีิะุะัุลลอฮะวละสลล่าะกร